เรื่องภิกษุสอดองค์ชาติเข้าช่องดาน2เรื่อง267สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะทําน้ําอสจิให้เคลื่อนจึงสอดองค์ชาติเข้าช่องดานน้ําอสจิเคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัติสังฆาที่เศษหรือหนอจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสถามว่า